บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้ถายที่บายตามนิยะแห่งมหาสติปัฏฐานในสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยหลักการปฏิบัติอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองผลของการปฏิบัติว่า เมื่อบุคคลปฏิบัติโดยสืบต่อกันไปแล้วผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นอย่างเร็วภายในเจ็ดวันอย่างช้าภายในเจ็ดชาติหลักการปฏิบัติข้อนี้ทรงเริ่มต้นด้วยคำว่าเอกายโนอายังพิกเวมัคโกซึ่งแปลเป็นใจความว่า ดูก่อนผู้เห็นภายในสังสารวัตรทั้งหลายทางเหล่านี้เป็นทางอนเอกคือเป็นทางที่บุคคลจะพึงดําเนินไปโดยตัวคนเดียวทั้งนี้เป็นการเน้นผลของการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเรื่องของความดีและความชั่วเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนั้นๆ คนอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเช่นว่าความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามคนเหล่านั้นเท่านั้นจะได้รับความสุขความสบายจากการไม่มีโรคเหล่านั้นในตำานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาคนนั้นคนเดียวเท่านั้นที่จะรับ ความทุกข์ความเจ็บปวดอันเกิดขึ้นจากโรคภัยเหล่านั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาในชั้นของการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสัมผัสผลด้วยตนของตนเองตามหลักของพระธรรมคุณที่สวดกันมีอยู่สองบทว่าสันดิติโก คือผู้บรรลุเจรพึงประจักษ์ชัดด้วยตนเองบอกกล่าวแก่ใครไม่ได้คล้ายๆกับการรับประทานอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเรื่องที่ผู้รับประทานเท่านั้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ารสชาติเป็นอย่างไรและในข้อสุดท้ายที่ท่านแสดงว่าปั จ, จตังเวดิตาโบวินยูชิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้น ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นว่าผลจากการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมีคุณสมบัติของวินยูชนอย่างน้อยก็คือรู้ในด้านของเหตุผลคำว่าวินยูชนแปลว่าผู้รู้ดีผู้รู้วิเศษผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งทั้งหลายซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้นั้น ได้เสริมสร้างปัญญาให้ปรากฏขึ้นจนสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ทั้งในฝ่ายที่ดีและฝ่ายที่ไม่ดีดำเนินชีวิตของตนไปในเส้นทางที่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนและผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นนั้นเขาจะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองหลักธรรมชันนี้ ท่านจึงใช้คำโดยสรุปว่าปั จ, จตังคือรู้การเฉพาะบุคคล น, นั้นและจุดประสงค์ในการแสดงธรรมนีได้ทรงแสดงไว้สามเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกห้าเป้าหมายด้วยกันเป้าหมายแรกเรียกว่าสัตตะนังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด สองสัตว์ทั้งหลายความบริสุทธิ์นั้นถ้าจะถามว่าบริสุทธิ์จากอะไรก็ตอบว่าบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่เนื่องจากกิเลสหรืออาสวะหรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นนั้นมีลักษณะมีความเข้มข้นแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรก เรียกว่าที่ออกมาทางกายกับทางประจาทําให้คนกระทําผิดพูดผิดมีลักษณะบิดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจคนอื่นไม่เดือดร้อนแต่บุคคลนั้นคนเดียวเท่านั้นเดือดร้อนทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะตกไปในอํานาจ ของกิเลสสายในเช่นตกไปกิเลสสายโลภะก็จะอยู่ในภาวะของลูกนี้ที่จะต้องวิ่งชดใช้สิ่งของที่ตนหยิบยืมเข้ามาอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าตกไปในสายของโทสะก็จะอยู่ในสภาพของคนที่ถูกโรดโรคภัยเสียดแทง อย่างเจ็บปวดสาหาัสตามลักษณะของโรคนั้นๆถ้าหากว่าตกไปในสายของโมหะก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นทาตเขาบ้างติดคุกบ้างหรือเดินอยู่ในทางไกลที่กันดานโอกาสที่จะตกกลุมตกบ่อก็มีได้ง่ายเป็นต้นกิเลสประเภทนี้ผู้เล่าร้อนก็คือบุคคลผู้นั้นคนเดียวจะมีอีกประเภทหนึ่ง ที่จริงไม่ถึงกับเร่าร้อนแต่ว่านําคนไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏซึ่งแน่นอนเมื่อมีการเกิดแล้วความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆเพราะความทุกข์มีความเกิดเป็นเหตุประการหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายที่พูดกันว่าเป็นทุกข์ก็สืบเนื่องมาจากความเกิดเพราะงนันความวิสุทธ หรือความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดขึ้นได้ในสามช่วงคือช่วงที่บริสุทธิ์จากอํานาจของกิเลสทางกายกับทางวจาบริสุทธิ์จากอํานาจกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงที่ที่เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสตรนาเพราะหลักการที่จะนําคนไปสู่ความบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นด้วยศีลวิสุทธ์คือความวิสุทธ์ความหมดจดของศีลคำว่าศีลนั้นเป็นเรื่องของเจตนาความสํานึกที่เหมาะที่ควรโดยอาศัยการทําตนเป็นอุปมาว่าตนรักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้น เมื่อความสำนึกที่กอบดยเหตุผลเช่นนี้บังเกิดขึ้นแล้วบุคคลก็อาจทำศีลให้เกิดขึ้นด้วยการสมาทานคือรับศีลบ้างด้วยการตั้งใจงดเว้นไม่กระทำสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นบ้างหรือบางคราวก็งดเว้นกันในขณะนั้นๆ คือพิจารณาเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทาเช่นนั้นแล้วก็งดเว้นไปเลยเมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้อาการทางกายทางวาจาก็จะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าปกติผลซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาศีลก็คือความสงบเจนปราศจากเวรปราศจากภัยแต่ว่าศีลที่จะเข้าถึงความ บริสุทธิห์หรือเป็นวิสุทธิ์ที่ศีนั้นได้ทรงแสดงข้อที่เรียกว่าปริกย่อยออกไปว่าศีนั้นจะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคําว่าขาดนั้นหมายถึงว่าบุคคลสมาทานศีลไปแล้วรักษาศีลไว้ไม่ได้ละเมิดศีลที่เรียกว่าครบองค์ของศีลเช่นทาสัตว์ให้ตายเป็นต้น ส่วนศีลที่ชื่อว่าทลุนั้นไม่ได้เจตนาที่จะละเมิดแต่ว่าทำให้เกิดความบกพร่องไปเช่นทำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดไม่ถึงตายเป็นต้นคือศีลไม่ถึงกับขาดแต่ถือว่าทลุไปศีลที่ด่างนั้นหมายถึงเจตนาบังเกิดขึ้นเช่นต้องการจะตบยุงให้ตายแต่ไปถูกเพียงปีกยุงขาดไปนิดหน่อย ยุงไม่ถึงกะตายก็ถือว่าศีลด่างไปส่วนศีลที่พร้อยไปนั้นหมายความว่าเจตนาที่จะตบยุงจริงแต่เงื้อมือขึ้นแล้วนึกได้ว่าได้สมาทานศีนมาก็ยับยังใจเอาไว้ไม่ตบนี่ในชั้นของศีลไม่ถึงกับขาดแต่ว่าจิตในขณะนั้นถูกกิเลสขึ้นกลุ่มรุม จนถึงคุมอิริยาบถไฟไม่ได้และการรักษาศีลที่ถือว่าบริสุทธิ์ประการต่อไปนั้นจะต้องเป็นการรักษาในลักษณะที่เป็นไทยแก่ตัวคือด้วยความสำนึกว่าศีล น, นี้ดีแล้วก็รักษาความสำนึกในชั้นนี้จะต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณา เพราะการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะไม่ไปข้องแวะด้วยปัจจัยภายนอกแต่ประการใดเห็นว่าการให้ทานดีเพราะกขจัดความสนีได้ก็ให้เห็นว่าการรักษาศีลดีเพราะสงบประงับดับเปรีภัยก็รักษาเห็นว่าการเจริญสมาธิดีเพราะสามารถบรรเทานิวรลงได้ก็บำเพ็ญสมาธิโดยไม่ติดใจว่า รักษาศีลไปแล้วให้ทานไปแล้วปฏิบัติสมาธิไปแล้วจะเกิดเป็นเทพประบุเป็นเทพธิดามีคนยกย่องสรเสริญเป็นต้นไม่ไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นก็เข้าตามหลักที่พูดกันว่าปิดทองหลังองค์พระปฏิบารโดยมีความสำนึกว่าจะปิดทองตรงไหนก็เป็นการปิดทองพระไม่จาเป็นจะต้องไปติดข้างพระพักเสมอไป ปิดที่ข้างหลังพระก็ถือว่าปิดทองพระเช่นเดียวกันและไม่เป็นการถูกบังคับกะเกณจากบุคคลใดบุคคลอื่นบุคคลหนึ่งให้รักษาเรียกว่าเป็นการรักษาศีลที่เป็นไทยแก่ตัวเองและในการรักษาศีลนั้นเมื่อรักษาไปแล้วบินยูชนคือคนดี เห็นอาการกริยาของบุคคลนั้นแล้วยกย่องสนเสร็จให้สังเกตว่าพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญแก่สายตาความรู้สึกคําพูดของคนที่เป็นวิญญูชนเท่านั้นไม่ได้ใส่ใจถึงคําของคนผ่านเพราะว่าคําของคนพานถือเอาเป็นประมาณไม่ได้คนเราจะทําดีอย่างไรเขาก็อาจจะตําหนิดได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงสุดคนก็ยังตำนิดได้และจะต้องไม่มีตันหาและทิฏฐิเข้าครอบกันคือรักษาศีลด้วยตันหานั้นเป็นอาการทะเยอทยานอยากไปด้วยประการต่างๆรักษาด้วยอำนาจของทิฏฐินั้นคือเกิดอหังการมามังการขึ้นมาและจะต้องโน้มน้อมไปเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิ เพราะว่าศีลเป็นบาทเบื้องต้นของสมาธิอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมยังสมาธิให้เกิดทังนี้ในชั้นต่อไปนั้นเมื่อบุคคลรักษาศีลเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตวิสุทธิ์ได้แก่การปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐาน ที่ถือประพฤติปฏิบัติกันหลักสมถกรรมฐานนั้นจุดปุ่งหมายจริงๆก็คือจิตที่สงบอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านันส่วนจะใช้อารมณ์อะไรเป็นเครื่องเกาะของจิตก็ให้ใช้ไปได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาอาณาปานสติหรือพุทธานุสติเสมอไป เพราะอารมณ์คือที่ตั้งของจิตนั้นทรงแสดงไว้ถึง40ประการด้วยกันตอนนี้บุคคลเห็นว่าข้อใดที่ช่วยให้จิตใจของตนเกิดความสงบขึ้นได้ไปใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นอารมณ์แต่เรื่องของสมาธินั้นมีทางที่เป็นมิจฉาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นไวผิดและสมาสมาธิ คือการตั้งจิตมั่นไว้ในทางที่ถูกเพราะฉะนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงต้องเลือกอารมณ์เฉพาะที่ทรงแสดงเอาไว้ส่วนจะเป็นข้อใดก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยของบุคคลจิตวิสุทธ์นั้นจะดำเนินไปตามขั้นตอนแห่งสมาธิคือเริ่มสงบชั่วขณะความสงบเพิ่มสูงขึ้น จนถึงความสงบที่เกิดจากแน่แน่แล้วทำผู้ปฏิบัติให้บรรลุฌานที่เรียกว่ารูปไปฌานซึ่งมีความประนีตโดยลำดับดังที่เคยกล่าวมาแล้วในสมาธิ mm hmm. เมื่อถึงจุดของฌานก็ถือว่าจิตของบุคคลเข้าถึงความวิสุทธ์หรือความบริสุทธิ์แล้วในชั้นต่อไปก็น้อมจิตไปเพื่อพิจารณา สิ่งทั้งหลายมีขันห้าเป็นต้นอารมณ์ส่วนนี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสนาวิปัสนาคือความเห็นแจ่มแจ้งเห็นชัดเจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงทั้งนี้เพราะว่าจิตใจของบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับธรรมของพระรีเจ้านั้น มักจะมองโลกในแง่ที่ตนเห็นเป็นประการสําคัญคือตัดสินปัญหาต่างๆกันด้วยประสาทสัมผัสเช่นเห็นรูปก็กําหนดหมายกันตามที่ตนเห็นว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นต้นแม้ในกรณีของการฟังเสียงก็สํานองเดียวกันแต่จุดหมายของวิปัสสนานั้นต้องการจะให้มอง ให้ลึกลงไปกว่านั้นคือให้เข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเลิกมั่นที่บังดวงตาของบุคคลออกเสียแล้วให้รู้ความจริงในสิ่งสี่ประการด้วยกันซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วพวกเหล่านี้ถ้าไม่เป็นนามก็เป็นรูปถ้าไม่เป็นรูปก็เป็นนามคำว่านามรูปนั้น มีนัยยะที่วีจิตพิสดารมากแต่ในชั้นนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าขอให้กําหนดแต่เพียงว่าสิ่งที่เป็นรูปนั้นคือสิ่งที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่เป็นนามนั้นคือสิ่งที่บุคคลรู้ได้ด้วยใจแล้วก็กําหนดหมายนามรูปขึ้นมาด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ว่า เห็นส e so he ิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่างามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนชั้นของความเห็นวิสุทธิในชั้นนี้ซึ่งทรงใช้คาว่าทิฏฐิวิสุทธ์นั้นก็คือการพยายามเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้น ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวใชตน้นโดยการพิจารณาพวกนามรูปตามปกติแล้วก็จะพิจารณาในส่วนที่เป็นขันทั้ง5คือพวกรูปพวกเวทนาพวกสัญญาพวกสังขารพวกวิญญาณคําว่าเวทนาคือการที่จิตเสวยอารมณ์คำว่าสัญญาคือความจําได้หมายรู้เช่นจํารูปจําเสียงเป็นต้น สังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตและวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสเรียกว่าจักขุวิญญาณเป็นต้นก็ให้กาหนดพินิษพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าในชั้นของการพินิษพิจารณานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า จะพิจารณาอะไรก่อนก็ได้คือให้เห็นประจักษ์ชัดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเก่อนเพราะเมื่อเห็นได้ในจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นได้ในจุดอื่นๆสืบต่อไปเช่นสมมุติว่าจิตใจของบุคคลได้เก็บสะสมความเข้าใจในส่วนที่เป็นอนิจจังไว้บ้างก็ดูในส่วนที่เป็นของไม่เที่ยงแห่งนามรูป อย่างที่ทรงอุปมาพวกขันท่าเอาไว้ว่าให้ดูรูปเปรียบเสมือนฟองน้ำให้ดูเวทนาเปรียบเสมือนกับต่อมน้ำให้ดูสัญญาเปรียบเสมือนพยับแดดให้ดูสังขารเปรียบเสมือนกับต้นกล้วยให้ดูวิญญาณเหมือนเป็นภาพมายาทาั้งหลายข้อนี้จะเห็นได้ว่าฟองน้ำที่ตั้งขึ้นนั้นก็อาศัยเหตุปัจจัยต่างๆเป็นอันมากตั้งขึ้น แต่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปส่วนวิญญาณเวทนานั้นยิ่งแล้วใหญ่ปรากฏขึ้นเกิดดับในเวลารวดเร็วเหมือนก็ตอบน้ำเล็กๆคือเกิดดับกันอยู่เรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปส่วนสัญญานั้นเหมือนกับพยับแดดธรรมดาพยับแดดบุคคลมองไปในที่ไกลอาจจะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง หรือในปัจจุบันนี้อาจจะดูพื้นถนนซึ่งเขาลาดยางไว้ก็ได้ถ้ามองไปข้างหน้าจะเห็นว่าเป็นภาพที่เรียบราบสวยงามเหลือเกินแต่ เ, เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมองดูไกลๆก็จะเห็นเป็นภาพเป็นสิ่งของต่างๆปรากฏขึ้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้แล้ว ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตนเคยเห็นมาในการก่อนในพวกสังขารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองคือจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามตรงอุปมาให้ดูเหมือนกับกอกล้วยหรือต้นกล้วยต้นกล้วยนั้นมีกาบกล้วยคอคุ้มเอาไว้และมือเมื่อบุคคลปอกกาบออกไปทีละกาบทีละกาก ไอ้ความเป็นต้นกล้วยก็หายไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสังขารทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประชุมกันของสิ่งทั้งหลายมีธาตุสีเป็นต้นเมื่อการประชุมกันยังมีสัตว์มีส่วนถูกต้องอยู่การกําหนดหมายการสมมติบัญญัติว่าคนว่าสัตว์ว่ารถว่าเรือนว่าสิ่งของก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเมื่อแยกย่อยออกไปแล้ว ความเป็นคนเป็นสัตว์ก็มีไปได้ส่วนวิญญาณ น, นั้นให้ดูเหมือนกับมายากลซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการแสดงภาพที่ปรากฏแก่สายตานั้นเป็นอย่างหนึ่งคล้ายๆกับจริงแต่ว่าการแสดงที่แท้จริงแล้วก็เป็นเพียงมายาเป็นศินละปะในการแสดงเท่านั้นวิญญาณที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือจะเป็นจักวิญญาณโสตะวิญญาณขณะวิญญาณก็ตามมีลักษณะเช่นนั้นคือเป็นเพียงมายาประการเึ่งเท่านั้นเมื่อบุคคลกำหนดพิจารณาโดยในยะนี้แล้วมองให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงแห่งนามรูปการยกขึ้นมานั้นจะยกอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยน้อมนึกไปในสิ่งอื่นๆต่อไปพิจารณาให้ประจักษ์ชัดในจุด ที่ตนเห็นว่าสามารถรู้ได้สามารถเห็นได้อาจจะเอาเวทนาอาจจะเอาสัญญาหรืออาจจะเอารูป ก, ก็ได้และอุปกรณ์ในการเรียนวิปัสสนานั้นเป็นภาพที่ปรากฏได้ทั่วไปทั้งที่ตนเองและปัจจัยวัตถุภายนอกเมื <c oughs> ่อกำหนดพินิษพิจารณาอยู่โดยไนายะนี้ตามหลักที่ท่านแสดงเอาไว้ว่า ให้ดูในขั้นของความเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นแล้วในช่วงต่อไปก็ให้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนของสิ่งเหล่านั้นดูถึงการดำรงอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวของสิ่งเหล่านั้นถ้าเห็นในจุดนี้ได้ต่อไปก็น้อมนึกไปเห็นในจุดของความเป็นทุกข์ได้เช่นเห็นว่านามรูปทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา จากเหตุปัจจัยเท่านั้นเองการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปก็เกี่ยวเนื่องกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นจนสามารถน้อมนึกไปได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยของรูปโชคตัวอย่างว่าเป็นปัจจัยของรูปปัจจัยที่ให้รูปดำรงอยู่นั้นคืออวิชาตันหากรรมและอาหารถ้าหากว่ารูปขาดปัจจัยเหล่านี้เช่นว่ารูปขาดอาหารรูปก็ดำรงอยู่ไม่ได้ การเกิดขึ้นการดำรงอยู่ของรูปจึงเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยเหล่านี้ในส่วนพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตเวทนาสัญญาสังขารก็อาศายเหตุปัจจัยคืออวิชชาตัณหากรรมและผัสสะคือการกระทบให้สังเกตว่าจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น เพราะมีปัจจัยภายนอกมากระทบบ้างใจไปตรึกนึกถึงอารมณ์ต่างๆบ้างก็แสดงว่ามีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกจึงเกิดบิน ญ, ญาณแม้สัญญาและสังขารก็มีลักษณะเช่นเดียวกันส่วนบิญญาณนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเบื้องต้นเหมือนกันคือวิชาตัญหากม แต่ว่าวิญญาณเกิดมาจากนามารูปคาว่านามารูปนั้นเช่นว่าตาเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณขึ้นหูฟังเสียงกเกิดโสตะวิญญาณขึ้นจมูกได้กลิ่นก็เกิดคานณวิญญาณขึ้นแสดงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดแต่ทีนี้ถ้าเหตุปัจจัยเกิดขาดไปสักอย่างหนึง่งวิญญาณเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างความรู้ทางตา ่รรู้รูปนั้นรูปคนรูปสัตว์รูปสิ่งของซึ่งตามปกติเหตุปัจจัยที่เรียกว่านามรูปนั้นก็ยังมีเหตุปัจจัยย่อยกัไปอีกทีหนึ่งเช่นกรณีของตาเห็นรูปก็ต้องมีรูปและต้องมีตาในขณะเดียวกันต้องมีแสงสว่างปัจจัยทั้งสามประการนี้ถึงแม้ว่ามีอยู่ก็ตาม แต่ถ้าหากว่าใจคนไม่มณสิการคือไม่ใส่ใจถึงรูปเหล่านั้นจะขูวิญญาณคือความรู้รูปประรูปใครรูปอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรู้ทางหูเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็มองกันไปในแง่ของเหตุปัจจัยเพราะพวกนี้เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นปัจจัยบกพร่องไปสักอย่างมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็มองให้เห็นในลักษณะที่เป็นของเบียดเบียน ก็ให้เกิดความเร่าร้อนเมื่อน้อมนึกได้ในจุดนี้ต่อไปก็พิจารณาให้เห็นในจุดที่เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครเป็นเจ้าของแยกย่อยออกไปแล้วหาความเป็นตัวตนเราเขาบ้านเรือนรถเป็นต้นไม่ได้เมื่อมองเห็นได้อย่างนี้แล้วตามปกติให้สังเกตว่า ใจิตใจของบุคคลเราจะแกว่งเช่นว่าเวลาอายุมากแล้วไม่ยินดีจะไปเชิญชีวิตในปัจจุบันเวลาพบหน้าะไรกันก็จะคุยถึงความรื่นรมชื่นชมต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตเพราะว่าอดีตนั้นรู้สึกว่าให้ความชื่นใจความสุขใจแก่ตนเองคนแก่ๆจึงมักจะพูดเรื่องอดีตมากกว่าเรื่องอนาคต แต่คนหนุ่มๆ น, น, นั้นจะไ่ว่คว้าเรื่องอนาคตมากกว่าที่จะคำนึงถึงเรื่องอดีตแต่เมื่อบุคคลมาเจริญขั้นนี้แล้วพิจารณาเห็นความเป็นนันเดียวกันคือทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวระนีตไกลใกล้อยู่ในสภาพอันเดียวกันคือเป็นนามรูปเท่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราและไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรา ซึ่งทรงเน้นไว้ในตอนสุดท้ายว่าข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นชั้นของทิฏฐิวิสุทธิ์คือความเห็นที่ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจเมื่อมาถึงชั้นนี้แล้วต่อไปความลังเลสงสัยซึ่งเคยปรากฏขึ้นแก่จิตใจด้วยประการต่างๆนั้นก็จะถูกขจัดไป เพราะมารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วบุคคลจะพิจารณาเห็นสังขารคล้ายๆเป็นของที่น่ากลัวจนถึงกับรอยวางสังขารแล้วก็เพียรปฏิบัติไปจนถึงจุดที่เป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่ทรงใช้คำว่าญาณทัศนวิสุทธ์คือความรู้ความเห็นที่บริสุทธ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาแต่ไ่งก็ตามในชั้นของการปฏิบัติแล้วความบริสุทธิ์แต่และชั้นนั้นสร้างความประณีตความสะอาดความสงบให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงของสัตว์ทั้งหลายนี้คือจุดประสงค์ประการแรก ในการแสดงมหาสติปทานในสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป